พระธรรมเตศนาจากดกเกลื่อนดังนวลคำผูกที่หนึ่งเดบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยอินสมชัยชมพูปเปียนรำฮกประโยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงายอะโมตัสภากาวโตอาราโตสัมมาสัมพุททัส เอวัมเมสุตังเอกังสมายังภากาวาสาวัตทิยังเจตาวเนวิหารต่อภิกขุนังกะทังอารพาอิมังจาตะกังกะเทสิต ส า, าโวดุราส ป, ปุริษาตั้งลายตั้งยิงใจหนุ่มเทาตั้งสัตธาเก้ากว่าเจ้าจุมต่างใจหุมบักไฟไขเข้าไกเนระปานจริงละการมวลหมูอันมีอยู่เกหาปากันมายาหยาด สันนิบาตฟังธรรมจุงดาจำแต่ตนติดสืบสนตัวไป้อมจิตใจเฮอมันอย่ากึดดันหลแสงจักเสียแห้งฟังเป่านับฟังเหล่าเสียได้ดังกบไลยตัวใหญ่เฝ้าอยู่ไกลบัวบ้านแม่นเบิ่นดานเป็นขวบบ่อได้จวบไก่ซ้อน ส่วนพาามอนแม่พึ่งจับไม่เนืองไก่ตปาปลากันมาซ่สอสอดล้อนเอาหยอดบัวไข่จุงใส่ใจจื่อไว้ฟังหือใดแนวนาวจาโดกเหยาวบ่อนยอดใจก่อ ย, อยฟังไปบัดนี้แดเตอ เกังซามาดยังยังมีกาลขาบหนึ่งใสพระติวัยสัปัญยุตนเป็นผู้แก่โลกคือปอนโศภัยมานสํารัญยังอยู่กับตั้งหมูอาราหันตากา น, านาสองมืนอยู่ระรื่นลายลามในอารามใหญ่กว้าง ตีจิมขางเมืองสาวัดทีเจ้าปุรีใหญ่น้อยไลหลังท้อยเป็นสายไปนออ้อมถวายขาบไว้ยังพระบาทไทยสั ป, ปญญูคนไหลจูลาลาดบอได้ขาดสักยามเจตวานารัมใหญ่กว้างปอเต็มไข่ตั้งคงตั้งใจจงลิงน้อมเขานำพ้อมยอตาน ทิกขาหานใส่บาตรศีนบ้อขาดเสียตนเปื่อวังผลปายนาคือจันฟ้าและเนระปานก็มีหันแะนะ <c oughs> อาอะเทกาตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งเล่าอันว่าเจ้าพิคกู้ตั้งหลายอันนั่งย้ายเป็นหมู่พ่อหน้าอยู่โรงธรรม ก่จะกําเก่าเหตุจากเฮือพระเจ้าเตเตสานว า, าวะอุโสดุราตันตั้งลายเฮยม่วนหมู่ฆ่ากึดอยู่ในใจยินสงสัยบอกแล้วอันว่าพระตนแก้วสัพพัญญุคนมาจูบอกขาดอาภิวัดปู่จ้าโทมานาสาสศ้าสาธุกาวญอาะุณ เ อ, อตานุนจะใจนั่งอยู่ไกลฟังธรรมมีนานำล้านโกดพระย่อมโพดจูคนคนพ่องเอาตนไปรอดอัมมตยอดเนรปาน พ่องมีย้อนไปแก่ก็ถึงแต่โซดามีดวงตาแจ้งส่างเอาตนห่างภัยเว้นพ่องป้นเครื่องเข็นโศกเศร้าย้อนเพราะเป็นเจ้าเทศนา <c oughs> ส่วนนางจินจมามาวิกาบาปใบาตันหานใหญ่ปะาดำได้จะกำอยาบจะตัดสองนาพระพุทธาแผ่นดินนาอดบอด่อได เงียจ่องไว้เป็นเหวควันไฟเขียวทั้งขึ้นตั้งแต่ปื้นเอเวจีนางกาลีบาปกาลวดความนาตกไปย้อนมีใจกำเศร้าพม่าเจ้าทะรงกุนนั้นแลยนา ตังสุดตาพากาวาในกาลนั้นเล่าพระเป็นเจ้าทรงยานพงสำรานยังอยู่ในแก้วกูกูดีโสตัญญานมีเป่งปอยใดยินทอยกําจาอันพิคุสังฆาม้วนหมู่ไขรเก่าอยู่โรงธรรม พระองค์คำเป็นเจ้ามีใจเต้าคุณนาจริงลีลาละภาคเสด็จออกจากกูดีด้วยสะลีวีราชไปนั่งเดือออจสนาแล้วพุทจชาที่ถอยด้วยกรรมจื่นจ้อยวอนหูว่าพิกขาวดุราพิกคู่ทรงตนทารงสินใสใจจ้า นั่งพออนาใหญ่ยหญตันตั้งลายมวนหมูพงก่าวสังจ้าหันเรามาอยู่ไกลหลวดยังไว้กังหันฮับปากตนจูโูแล้วนั่งอยู่ได้ได้นีจ้าตีนันนาเจ้าพิคุตนฉลาดก่ออภิวาททุนซา ใครขีญาเหล่าเก้าเอพระเป็นเจ้าตำมีพระมูนีฟังแล้วก็ใครข้าอุบแก้วเตสนาวาดูราพิกุตังหลายมวนมูอันพร้อมอยู่รงธรรมอันวานางใจดำก็าหยาปองข้านาบตัวเราบาปบ่เบาจองกองจกักลงห้องอเวจีสะเวยทุกขีล่ำตี บ่ใจจัดนี่บัดเดียวเมื่อเราเตียวหลอกว้างพังก่อสร้างสมปานนางใจหันอยาบจะ ก, ก่อได้ตีดาตัวเราเอากำเบ้าเหล่าตาบ่าสะต้านอาบายลวดได้ตายมุกมู่ตกลงสู่อาเวจีแลยนะ รากะวาอันว่าพระพุท ธ, ธเจ้าก่าวเต่านั้นแล้วหลวดทับข้าวแกว้วโบจยนจาตีนั่นนาเจ้าพิคุตุนชาลาดก่อเอาิวาตนามัสการ ว่าอาติตาดีทานดวงแล้วปังพระตนแก้วปัมเป่งธรรมเมือนนานำนกแก่ไข่หูแต่สันใดขอพระไขก า, าวแทงหือสว่างแจ้งแนวนาวแด้เตอรอาถะขอพระกาว่าเมื่อ น, นั้นพระสับปัญญูตนผ่านแผ้วจริงไขขอูปแก้วเตสานาว่าอาติเตกิราพิขเว กุสาวตินาคเรโกเษตีมหาวิพาวมหาภโกอโหสิดังนี้เป็นตนพิกาวดุราพิกตั้งลายอันเป็นทายอริญาเจ้าเชือคดเงาทารงยานแต่เมื่อนานแต่ใสมีเมืองใหญ่ชื่อกุสาวตินกร พระผู้ทนยศยาวจิวาเต้าออกุาวติราชาเมืองนั้นนาใหญ่กว้างคนอยู่สร้างลวงลายห <c oughs> อเหือนย้ายเป็นตาแม่ไก่ลาเติงกันเขาน้ำหันมีมากลูกไม่หกักถมทองคนเรื่องน้องเข้ากาด บอได้ขาดยามได้เจ้าภายัยไตใหญ่น้อยนาจื่เจ้อยเจยบ้านสุขสำราญตัวห้องพับเขตต้องกุสาวาดีก็มีฮันแลนาตาตาในกาละนันไซยังมีเศษทีใหญ่กับเมืองเขาของเรื่องนักโสดหลายตื้อโกรดเงินคำวัวควายนำมาจ้าง ไห้บ่ออ่างเตียมตันจูขึ้นวันคำเจ้าบ่อโสกเศร้าเครื่องกามีภริญางามอาจจือนางน้อยนาจสุภามาลีละกานาดีถูกทวนงามหญิงล้วนป่อตาบ่มาญาลับล่อมีใจห่ออวยตานมีใจบ้านแผ่กว้างมักก่อสร้างตังบุญ โอ้จากคุณพ่อแม่ตั้งเท่าแก่ดุงตาบา่โกธาติดายังบูคาคนในจากกำไดอ่อนอ้อยฟังจื่นจ้อยวอนหูกำมึงกูเว้นขาดบ่พะมาดคนผ่านบาเ่เหมือนนานแต่ใส่นั่งผ่าสุดใดบุตตามีลังคนาบ่พ่อน งาม จ, จ่าจนเปล่งแปลงพ่อแม่แฝงอยู่เฝ้าหักลูกเต้าจอมควันแล้วใส่จื่อปันลูกน้อยเฮกาดก้อา ย, ยาัยเป็นะม า, าวีเศษตามเก้าเหตบันดาลว่าสุรเมฆกุ ม, มารหวานเหตลูกนอจันใส่ใจเกิดมาในายนามเจ้า บทเมืดเเจ้าไปบนโกละหุนเกิดกองฝ้าลันร้องไปมาปาสุธาไหววันหอเฮือนสันเฟื่อนไหวกันใส่ใจโลแก้วปนจากต้องแม่แล้วดีงามเหตุกวนอา้มลายลากโกละผาขายไปต้องฝ้าใส่สว่างแจ้งทัวทุกแห่งหันดี นี่มิดมีดังนี้จริงใส่จื่อจี้กฎหมายยังตนใจลูกเต้าตามเหตุเก้ามีมาดังนี้แลยนะตาต่อปัาญาทัแต่นั่นไปไปนาบอนั้นจ้าหึงนานเมื่อสุระเมฆข้ากุมารขึ้นใหญ่อายุได้สี่ปีไป หัวพันไายเตียวต้องหัวแจ้งสองกำรคนยังมีเตวาบุตรตนวิเศษอยู่คงเขตุสิดาเป็นนอพุท ธ, ธาตนองอาจ <c oughs> ก็ก่อยกาดจากเมืองบนมาเอาปฏิสนกำเนิดในต้องนางผู้ผาเสดสุภามารีสิบเดือนมีมาไขนางผ่าสุดใดบุตตา มีกาญาฟ่องแผวงามเลิศแล้วใส่สีลายจักมีที่แจงทั่วจุ่แห่งตีนมือคนหันหือซาเศ้าไปตัวดาวปุรี <c oughs> ส่วนเศรษฐีผู้ปอและดั้งนอมาดามีปีญาขาคอยใจจ่องห้อยแป้งปันจิงใส่จื้อปันลูกเตา ตามรีดเก่าโบราณว่าตาสวารากุ้มมานว่าอันก็มีหันห่นและนา <c oughs> ในเมื่อสุราเมฆคุ้มมานปีเก่าอายุเจ็ดกวบเขาวัดสาตาวาระต้องส้อยหูที่ถอยกำดี อายุสองปีไปเสร็จนางน้อยเนธมันดาวิบากมาตึงรอดเปียที่ตอดถึงตัวเจ็บปวดหัวเหมยไขยเนื้อร้อนไหมนอนค้างจิงตุ้งวางเขาน้ำลาเสียงซ้ำอาหารสองกุมมันนอเน o นั่งอยู่เฝ้ามันดาตุ๊กเครื่องกาจ้องหอยหนาต่ำก้อยมองขี บ่อลูกนีผักข้างบ่อไฟอ่างอันได้ไข่กําไย่อ่อนอ้อยซึ่งยอดซอยมันด้ว่าคอสายตาแม่เจ้าอดกินข้าวสักกำของกินลำมีมากกินปาหากมีลายวางเรียงย้ายตีไกลตั้งลูกไม่ไหลอัน มีอานัติหลยแหล่อเจ้าแม่อดใจก้อยกินไปเตือนน้อยเอาน้ำก้อยหล่อลงจอมแดเตอ ส, ส่วนเศรษฐีผู้ป่อฝนยาล่อเมียตนใจกังวลบ่เหือทอนไม่เดือดมองขี้ยาใดดีหาใส่กินบ่ได้เอาตา หูหมอยาเดือไตเฮือขาดใจไปพันเงินใสคันตั้งต่อเฮือหมอพอยาเยายาแล้วไข่จ้าบอกเล่าเฮือหูเก่าความใน ว่าหมอคนใดย Nh ังอาจยานางนาจสายตาฮือปกติมาดังเก่าอยากเขาแลง่ายจักยืน่นถวายเสื้อผ้าตั้งจังมาเงินคำ มีนานำมื่นตือจักยืนหื้อโทมานาจุ่มหมอยาใหญ่น้อยนาจื่นจ้อยจมบ้านต่างไขค า, านเก่าว่ายาเจนปูยังมีเป็นยาดีแต่ไทยเกยเ จ, อจือใจกินมาแม่นสวะตุมลานำเข้าหื้อสักเต่า ง, งาดำใส่นำนำาล่อรองยารอต้องยำใด จักมีใจอยากเข้ากินเมื่อเจ้ายาำง่ายถึงยาำควายมารอดจากลุกสอดไปม้ามูมอยาลลยแหลอ่ออวดแต่ต่างดีเือเศษธีผู้ใหญ่หายเอาไม่กังวลพ่องก่อฝนย่าแก่พ่องก่อแจยาคางพ่องก่อวางย่าถาดพ่องว่าสันนิบาทลบใน พองว่าเป็นภัยเก่าเกืือเสือแต่เชื้อวงสาพองว่าจ้าตาเป็นเหตุราหูเกตเล่งกันเสาพัดพันมารอดอังการสอดมาจนก <c oughs> วนใจมนปัดเป่าส่งข้อเล่าตามรายหมอตั้งลายน้อยใหญ่ตกยาใสไหลายอันหลขึ้นวันบ่หูเต่าเฝ้าอยู่ได้ได้ เปียที่ลายกว่าเก่าหมอนุ่มเท่าเหลือแรงนางจอมแป้งนัดน้อยตัวอ่อนม้อยวงังคิงจักต่วงติ่งบ่ได้นางร้องให้ใครจาว่าคาแดสมิกาเป็นเจ้าคาน้องเนาเหลือแรงเปียที่แข่งลำล้นต่งหนบพ้นไปใน จักอยู่ไปยินอยากน้องขอฝากพุตธตาตั้งสองขาหนอเน่าขอพี่เจ้าตุมว่างอย่าใจจางจังลูกจุงย่าฮือถูกตามธรรมอย่ามัวดำมืดเศร้าคำลูกเตาสองใจกันน้องตายผักนาอย่าฮือสองกำ้าใส่ใจได้ดีไกผักข้างอย่าฮือห่างไกตา ถึงยามมาเมื่อคำฮืออาบน้ำคัดสียียน้ำร้อยทีมารอดฮือสองหยอดนลอดใ น, นยามแจ้งใสเมื่อเจ้าฮือลูกเต้ากินง่าย มีใจภายแพ่กว้างอย่าได้อังตั้งนีอย่าดาตีว่าไรเฮสองน้องอายเครื่องกา้าน้องหันมาหลายแลกกันว่าแม่ตายเสีย พ่มีเมียคนใหม่ลูกน้อยใหญ่เครื่องใจพื้นขวใบขาดถอยขี้บมวกน้อยสองป้ายตัวเล่นล้ายดังบอกคาน้องบอกป่นฟังโบราณยังว่าว้ขคาน้องใดฟังมาว่ากำพามันดาลูกกินน้ำตากับขา้าวกำพ่าปอดนั้นเล่าลูกกินเขากับน้ำตา โบรานจ่าดังอีน้องบอกจีปันฟังแม่นปีนังไฟห้อยฮักลูกน้อยสองซาดีถึงจากมีเมี้ยวใหม่จุงใจใส่สองใจอย่าฮักเมี้ยวลายกว่าลูกเงี้ยวบ่ถูกกองทำอย่าฟังคำเมี้ยสอแล้วจังหนอสองค้าง เงียวตั้นจาเกาวตาจุมเจ้าบ้านเตียนควันแปลงใจมันคำเจ้าเลี้ยงลูกเตาเอาใจกันดัางไข่เบียนแลววนว้วก็ลกาวซึ่งลูกแกวสองใจว่ากันแม่ตายผากหน้าสองลูกลายาเหลือคำสององค์คำเหยลูกแม่จุงอยู่แก่เรือนรา อย่าไค้ก้าแอวเล่นอย่าวิต็นเฮือนดังจุงฮือฟังกำมปออย่าสนซอเก็บคำเจ้าองค์คำปีเก้าจุงหักน้องเน่าสสยตาก่อยอุจาปากป้องอย่าจมฟ้องบุปติแม่นป่อมีเมียใหม่จุงฮือได้ยำแยงอย่าจะแข็งอย่าจะจุงฮือแม่นาคุณนา กันนางจาจบจอดก็ก อ, อดลูกยอดสองใจลมดังหายตันบาดชีวิตขาดตายไปก็มีหัน่นแลนาเตอู่พกลุมมาราส่วนสองกุ่มมานปีน้องตุก๊กโกต้องนำนาสุระเมฆาปีเก้ากอดหนองเดาเตรียมใจ ริรำไรร้องไห้อยู่ตีไกบันดาบกไกกาละผากบอย้ายจากคตนี้ส่วนเศรษฐีผู้ใหญ่ก็ร้องไห้ปริเตวนา ว่าสันได้เจอน้องแก้วละปีแล้วตายไปบ่ออะไห ล, ลูกเตาละหมูเขาเงินคำวัวควายนำจังมากมนากว่าโวยโอ ย, อยคนเดียวปอยเหล็กลีละหือปีมองขีปูเศรษฐีผู้เท่าตุกไม่เอาทมทองนำตาน้องอาบนาริรำวานานา แล้วก อ, อฮือดาตกแต่งตามปิมแปงโบราณทรงสาการเลือกสากตามตั้นหากกะตั้มมา ก, ก่็มีหันและนะตาต่อปัทาญาทะแต่นั่นไปายปนาสองกำพากุมมารยินมองผ่านหลายแหลให้หาแม่จูวันวัน เศรษฐีหันโลกเต้าตุกโศกเศร้าเลือลายบอ่อมีหายห่างค้างบอ่อมีวางหลับนอนยินอาวรลำบากคาใจมากลวงลายตั้งยิงใจมวนหมูจ่จจผู้ยมองเงาสององเล่าพี่น้องบ่อ่วงคองคนใดเต่า อ, อะไรฮักแม่ให้พัดแผ่ทำฮา หลายเดือนมาก่อแล้วสองลูกแก้วบ่อเจบ้านบ่อสำราญวิ่งเต้นบ่อแอวเล่นต่างใดบ่อนี่ไก่จากพ่อเศรที่พ่อสองคายินคุนนาลูกเต้า กึศใจเล่าไปมาว่ากู้กวรหาแม่ใหม่มาอยู่ใกล้สองใจช่วยอุบายจุยหนหลอกเฮือสองน้อยหนอหายมองช่วยทรีปองก่อเกลือเฮือสองหนอเนื้อเจยบ้านอยู่สำรานคำเจ้าลืมโศกเศร้าบองขีกันปูเศรษฐีขึศแล้ว ก็ทลิแเอวไปมาเปื่อกสะแวงหาสาวน้อยมาเป็นกูหอยปิ่งแป้งแอวรักแยงจ้าใจก็หันใส่สาวรามรวบคิงงามสะอาดจิดน้งน้อยน่าอรดีกันเศรษฐีหันแล้วใจข่องแพวจมบานก็ปั่นปันนาการลายแล แต่พ่อแม่ตาหน้าย่งนางทิ้งภายหล่อบเบาตามรีดเก่าปังหลังแล้วน้ำมายัางนา่งอ่อนงามจะจนเปล่งแปลงเมื่ออยู่แฝงตีไก่กือตั้งนังไว้เป็นเมียเท่าตาเพียฮักมากบอกห้ผภาไก่ตาก็มีหันหแะนะ่นา สาปนาราตีส่วนนางโอรดีนั้นเล่าฮักเศรษฐีเท่านำนาฮักสองขาปีน้องดังเกิดจะต้องมันมา <c oughs> มีกำจาอ่อนอ้อยฟังจื่นจ้อยวอนหัวเข้านำจุอ่อยปอนเล่าลมอ่อนวอนใหญ่คัดสีไข่หลังนา สักเสื้อผ้าคั่ทารงตั้งสององค์ปีน้องบ่อศกต้องบองผ่านอยู่สำรานพร้อมหน้ากับแม่นาอราดีปูเศรษฐีหันแล้วใจพ่องแผวเจิจมว่าสองอุดมลูกเต่าลืมแม่เจ้าเตรียมกิ่งหักยังยิงแม่นา บ่อหักว่าไกตาเป็นดังป่าน้อยใหญ่จมน้ำใหม่หัวปีปูเศรษฐีผู้เท่าหันเมียหนุ่มเน่าจีสาวโจมเปล่งเป้าบ่ผ่อนฮักหลกน้อยอ่อนสองขาหันบุตรตาตังกูฮักนางอยู่ปิ่งแป้งอยู่แม่แฝงแนบ้าง บอกหูหางเสียไก่ก็มีใจจื่นสู้บอกควัดหูควาในัยเพียบเตรียมไปแต่ใส่คือหากใดตัวป่ายามน้ำมาปีใหม่ป่าน้อยใหญ่จม้องน้ำไหลน้องาคาขึ้นป่าเต้นตื่นยินดียามน้ำนีแห้งคอป่าบอ่รอดตายไป อุปป้าไม่นี่เล่าใดแก่เท่าเศรษฐีเหตนางอรดีนั่นโสดใจไร้โหดนำน้ำมันแสงมายาคำเจ้า <c oughs> ว่าฮักลูกเต้า้านำใจมันดำไม่มาทภัยบ่ออาจเล่งหันตีแต่มันจังนายยังส่องน้องอายกุ ม, มาน แสงจ้าวานแต่ปากตีแต่หากขมมในมันกึกใจจ้องจองไข้เฮซองปีน้องไก่ตาก็มีวันนั้นแหนะนะเนธีตังขีญาสังวันนานะวิเศษจาห้องเหตุนาง้วนคำผูกตนกอบังกลมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล